ลูกเคยมาทีมาทางพ่อแม่ค่ะอ๋อนี่มาทางข้างหลังเลใช่ค่ะทางสามสามหนึ่งเลยเข้ามาทางคุณพ่อค่ะมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพค่ะเคยมามากลับละมัสการอาจารย์อีกทีเลนะคะจะรู้สึกว่าแต่ละอยู่ด้านหน้าอ๋อที่วัดยานะคะ มิทระอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะตั้งใจ ม, มาฟังคร่บได้ศึกษาธรรมามาก่อนหรือเปล่าเป็นรู้สีลของหลวงพ่ อ, อรักษาครับรักษาอยู่ที่ไหนเชียใชยง่อยู่อำเภออะไรไม่เป็นอือแล้วท่านสอนอะไรบ้างนะ ปฏิบัติกันหรือเปล่าปฏิิบัตอืมที่วัดทางนี้มีที่พักให้ปฏิบัติมีวัดค่ะทำในแสงทองค่ะปาทำในแสงทองเป็นเป็นวัดใหญ่หมั้ย คือเีนเช่ อ, ชอมีเนื้อเยอะไมที่วัดไม่เยอะท่านวัดป่าเลยใช่ค่ะแล้วมีที่พักใ่ยาโมโยมพักวมีแต่ก็ไม่เยอะอวเวลาปฏิบัตินี่ปฏิบัติกันเองไม่ว่ามารวมปฏิบัติกัน <c oughs> เวลาปฏิบัตินี่ท่าน มีตารางให้ปฏิบัติหรือว่าให้ต่างคนต่างปฏิบัติตามมัธยาศัยถ้าถ้าท่านไม่ติดกิ่นมิมนนะคะ่ะก็ก็จะร่วมปฏิบัติ ด, ด้วยนะคะกแต่ถ้าติดก็<ม>ดก็<ม>าตามตามที่สะดวกค่ะแต่ก็คือตอนเช้าก็มีธรรมะเช้านั่งสมาธิะคะ่<ม>ะในเย็นก็ออนั่งสมาธิแล้วก็ทรรมะเย็ น, นะคะ่ะสำเวลา<ม><ม>อื่นก็ปล่อยไปตามอัธยาศัยเลยใช่ค่ะ<ม> เคยไปพักอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเคพักค่ะพักได้ข้างละกี่วันเนต้องมีสมวัน้ห้าวันบง้นบงค่ะมีญาติโยมไปปฏิบัติกันมากไหมน้อยค่ะไปตัวใหญรูปรไปก็ที่ก็คนเดียวค่ะก็อคนสองคนเพระว่าทริปไปลาบากนะคะแล้วพระเนมีกี่รูปพระเนรประมาณสี่รูปค่ะ วัดก็เป็นวัดป่าแบบนี้เละใช่ค่ะมีไฟฟ้ารึเปล่ามีค่ะฟฟแต่ว่าบางบางจุดนก็ไม่มีค่ะอ๋อแล้วมีมีน้ำป่ปลาแล้วเปล่ า, าไม่ใช่ป่าปลาค่ะแต่ว่าเป็นน้ำที่เหมือนกกเก็บไว้แล้วก็ามาใช้นะคะมีเดินท่อมาใช่ค่ ะ, ะน้ำสะอาดไหมดีมากน้ำสะอาดดีมา ตามลำทารลำห้วยใช่ค่ะมไม่หรอกเสียงที่นี่มันอาจจะกล้องเลยฟังเรื่องไหมรู้ไม่ยินเสียงมันกล้องเลยวันนี้คนประจาเขาไม่อยู่คนํารองเลยเนี่ยมือใหม่หัดขับกัน และเวลาปฏิบัติเนี่ท่าน ใ, ใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับใจก็เริ่มต้นก็เป็นบริกรรมพุทโธค่ะแล้วจากแล้วก็ถ้าพุทโธรเป็นสักพักหนึ่งถ้าจิตสงบอะค่ะก็ล่างคำบริกรรมแล้วก็อยู่ที่อนาปนาสติค่ะอ่าได้ผ่อนดีไหมดีค่ะ ม, มีความสงบ ผลจากความสงบคืออะไรได้อะไหมว่าจากความสง บ, งบก็คือก็จะมีความไม่คิดอะไรคะ่ะอยู่ที่ความว่างเป่าคะ่ะแล้วมีความสุขหรือไ ม, ม, ยมอ่ยังไม่สุขเลย ไ, เได้ศึกษาปฏิบัติมานานหรือยัง 3ามปีและวาปีเราต้องการอะไรเพิ่มกตม็ต้องเพิ่มก็คือวิชาความมู้นอกต้องเพิ่มแล้วก็เพิ่มความขัดเกเลื่อนไไดนะคะใช่ไหมีเวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงไรในแต่ละวันน ถ้ามันอยู่ในชีวิตปกติอะค่ะการปฏิบัติก็น้อยหน่อย น, ยนยอะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะเข้ามาคือเี่ว่ า, า ข, ขัดเกลาอาะค่ะแต่จริงๆแล้วต้องปฏิบัติทุกวันเวลาไปอยู่วัดนี่ไปอยู่ข้ังละกี่วันสามถึงห้าวันค่ ะ, ะบ่อยไหไปบ่อยไมมปีหนึ่ง อืบากทีก็ไปบ่อยค่ะบ่อยไดกี่ครั้งก็สองถึงสามครั้งนะคะอะค <c oughs> ถ้าไมบ่อยก็ครั้งเดียวใช่ค่ะทีละครั้งครั้งละสามวันห้าวันอวนอกจากนั้นไปที่อื่นบ้างหรือเปล่า ไปปฏิบัติที่อื่นหรือเปล่าไปศึกษาไปวัดอื่นหรือเปล่าไปค่ะก็ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพก็ไปศึกษาอยู่ที่วัดธรมงคลนะคะหลวงพ่อวิริย์ใช่ค่ะแล้วขัดกันไหมวิธีท่านสอนทั้งสองไม่ขัดค่ะไม่ขัดกันไปแนวเดียวกันใช่ค่ะแต่ด้วยแต่ด้วยที่เราจะมาหาความสงบเนี่ยคะ่ะก็คือต้องมาวัดป่าวัดธรมงคลก็ไปเฉพาะช่วงเย็นอย่างนี้แหละ ก็เหมือนลูกลูกก็ไปศึกษาหมาถึงว่าเรียนเป็นคอร์สด้วยนะคะก็จะเป็นเรนคอร์สละหกเดือนเลยใช่ไหมตั้งแต่ไปไปที่วัดอยู่หกเดือนเลยเลยอ๋อไม่ใช่ค่ะเรียนจะพอดสอบอาทิตย์เต็มวันเต็มวันเลยเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยเลยแต่ไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างมีนักศึกษาเยอะไหม เือะค่ะแต่ว่าแต่แต่ละคอร์ดก็คะแนกมากน้อยต่างกันนะจ๊ะก็มีระดับเรียนการเรียนด้วยเปล่าหรือว่าทุกทุกครั้งก็เรียนในระดับเดียวนใช่ค่ะขั้นพื้นฐานอยู่ที่ระดับเดียวกันนะคะท่านสอนระดับเดียวก็มีหลายระดับมีหลายระดับค่ ะ, ะแต่ว่าแต่ว่าเราแต่ขั้นพื้นฐานทุกคนจะต้องผ่านระดับขั้นพื้นฐานก่อน ต้องผ่านหกเดือนนี้ก่อนนะใช่ค่ะแล้วระดับที่สองมีต่อแล้ก็มีแต่ว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเติมไหมอ่ะค่ะถ้าไม่ต้องการเพิ่มเติมก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ค่ ะ, ะเรียนแล้วก็ต้องพอจบหกเดือนแล้วทำอะไรต่อะจริงๆแล้วค่ะคือ เองก็ต้องการให้เราทำทุกวันค่ะช้เย็นค่ะแต่ถ้าเราทำได้ต่อเ น, นื่องก็เป็นผลดีต่อตัวเราค่ะแล้วได้ทำเรียนจบไปอย่างหกเดือนเนี้นจบแล้วค่ะทแล้วเลยอันนี้ก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วรู้วิธีค่ะ ม, มีอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติก็ ธรรมช้ า, ชานะคะก็ตื่นมาเนี่ยคะ่ะตอนเชา้าถ้าถ้าทําได้นะคะก็คือเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิะคะ่ะอือส่วนธรรมช้ า, ชาหรือไม่นี่ก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัตินะคะถ้าทําที่บ้านนะคะอธรรมเย็นก็เหมือนกันคะ่ะและเวลาถ้าจะให้ดีอะคะ่ะก็คือทุกๆวันน่าจะเป็นเวลาเดียวกันไม่ว่าหรือเชา้ชาหรือเย็นเนี่ยค่ะเราสิ่งต้องชี้ติดยังไ้สิงส่ ง, งห้ะคะ่ะ ไม่ได้บังคับไม่ถือศีแปดนะไม่ได้บังคับค่ ะ, ะเวลาเรียนนี่ก็ไม่ได้ให้ถือสีแปดให้ถือแค่สีหน้าใช่ค่ะอืแล้วเคยลองถือสีแปดบ้างาไหมเคยลองค่ะอืถ้ามาอยู่บ้านเย็นๆค่ะก็จะเป็นสีแปดค่ะถ้าอยู่บ้านหรือทํางานต้องถือแค่สีหน้าใช่ค่ะอืแล้วผลแตกต่างกันไหมระหว่างสีหน้ากับสีแปด รู้ว่าแตกต่างนะคะแต่ว่าสินห้าถ้าเราถือบริสุทธิ์ก็ก็ก็ดีอะค่ ะ, ะ, ะแต่สินแปดดีไฟยังไงสินแปดก็จะมีะกฎข้อระเบียบมากขึ้นใช่ไหมคะก็ะะะคือไม่ทานอาหารในยามิซานแล้วก็จะไม่นอนใน ที่นอนอยู่ว่าเป็นผู้ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ไม่แต่งตัวนะคก็เหมือนว่าจะทำให้เรามีความรัดได้อ่ะค่ะลดละมีสังวรยิ้มซีสังวรสังวนตาหูจมูกลิ้งกายเพื่อเป็นการตัดอะไร กิเลสตัวไหนก็จะมีโลภะโทสะโมหะนะคะใช่แต่มันมีกิเด็กทลสสิบแปดมีไว้ตัดตัวโลภะมนีการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัดตัวไหนสามตัวเลยกรมตัณหาอ่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัดตัดตัวไหนลดละตัวไหน ลูกตังไม่เข้าใจวิพาวะตัณหาจะรู้เข้าใจกรรมตัณหาเงี้ยค่ะวิภาวะตัณหาคือยังยังไม่ยังไม่ทราบเลยชัดเจนนะคะเราที่ถือศีลแปดนี่ช่วยลดตัวไหนเราทั้งสามตัวใชนสามตัวไหมคะอ้าวเขาถามดูแสดงว่าไม่รูจะกรรมตัณหาค่ะอะ กรมอาจหาแปลว่าอะไรกามแปลว่าอะไรการไม่ใช่การแปลว่ากรรมคุณห้าการคุณห้ามีอะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะการราูปเสียงกลิกรรน่ลภภลรรนรสปฐพะ แล้วตัณหาแปลว่าอะไรความลุ่มหลงไม่ใช่ความอยากความอยากบางทีต้องต้องทดสอบจะจะรู้ร ว, ว่าเรียนกันรู้าา <c oughs> เรื่องหรือเล่ามีแต่พูดไทฟังผููให้ฟั ง, ฟงนียแค่ตรงนี้ก็ยังตอบกันไม่ได้การว่าตัณหาเป็นอะไรตอบไม่ได้อนี่ สี่แปดก็มีไว้เพื่อกำจัดไม่ได้ละเพียงแต่ลดละควบคุมควบคุมกามาตนะจนข้อสามก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันคนที่ร่วมหลับนอนกันนี่เขาต้องมีกามาตนะท่ไมเขามีความอยากที่จะเสพลูกเสียงกล็ดลดท้องคน ของของคู่ครองของสามีของภรรยาอยากเห็นรูปสามีอยากได้ยินเสียงสามีอยากได้วิ่นดนมกลิ่นอะไรสัมผัสตัวของสามีเรียกว่าการมคุณหา้าสินสินแปะก็มาให้ป้องกันไม่ให้ทำกิจกรรมอันนี้เพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียว ความสุขอี็แบบยาเสพติดเสพแล้วติดนะใช่หไหมแล้วตอนเวลาไม่ได้เสพเป็นไงสุขหรือทุกข์เวลาต้องอยู่คนเดียวนอนคนเดียวนี่ก็เสพเหงาคนที่เคยนอนสองคนเคยได้ยู่ให้เห็นความทุกข์เพื่อที่จะได้มาลดมาละแล้วมาหาความสุขจากความสงบ เนี่ยการภาวนาเนี่ยเช่นการนั่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยต้องมีศีลแปดก่อนถ้าไม่มีศีลแปดมันจะหาเวลาไม่ได้เวลามันจะถูกการมตตันหาดึงไปหมดแต่ศีล้าก็ยังไม่พอนใช่ไหมก็ศีล้ายังกินยังนอนกาแฟได้ไ เ, เนี่ะใช่ไหมแทนที่จะเวลามานั่งสมาธิกับไปนอนกาแฟนเนี่ย แทนที่จะเอาเวลามานั่งสมาธิก็ไปกินเลี้ยงไปกินอาหารขํากันสินแปรก็เหมาะสําหรับคนที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆว่างจากาการงานสังคมต่างๆถ้ายังมีงานสังคมยังมี การเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่มันก็รักษายากศี่แปที่ให้รักษาเพื่อจะได้มีเวลาสมมติว่าถ้าว่างวันหยุดยไม่ต้องไปทำงานแต่ถ้ารักษาสีนห้าเดี๋ยวก็ยังเปิดดูทีวีได้ฟังเพลงได้ดูหนังได้เพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไปได้มีงานเลี้ยงก็ไปได้ วันเกิดวานแต่งงานเรี้ยงฉลองไปกินเลี้ยงกันอาหารค่ำกินเลี้ยงเสร็จก็มีบรรเทิงให้ดูมีดนตรีให้ฟังมีการเต้นลําเอาถือศีลห้ามันก็ทำได้ ไ, ดไม่ผิดศีลแต่มันก็จะไม่มีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฝึกผล อบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเฉั้นถ้าถือสินห้านี้ยังถือว่ายังไม่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติแบบจริงจจังๆพอหอมปากหอมคอนั่งสมาธิสักสิบนาทีก่อนนอนเท้าเตะขึ้นมาก็นั่งอีกสักสิบนาทีพอเป็น เป็นเป็นพิธีพูด ง, ง่ายๆใ จ, จยังไม่สามารถที่จะรับผลของการปฏิบัติได้ผลจากการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกับปลูกต้นไม้มันไม่ได้เกิดผลทันทีต้นไม้ที่เราปลูกกันนี่ อาจะเอายอกออกผลนี่บางทีเป็นปีต้นทุเรียนต้นส้มต้นอะไรรงนี้ถึงบอกว่าคนที่ชอบอุทิศบุญจากการปฏิบัติ ม, มันไม่มีบุญจะอุทิศเข้าใจไหมคิดว่านั่งสมาธิสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วก็อุทิศบุญอันนั้นเพียงกำลังขุดดินยาเตรียมปลูกต้นไม้แค่ น, นั้นเองต้นไม้ยังไม่ได้เอาลงเลยมาได มันเรื่ของต้นไม้ยังไม่ได้ลงลงเดินก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วจะเอาอะไรไปอุทิศบุญวิธีที่จะอุทิศบุญง่ายที่เร็วคือเนี่ยทําบุญปั๊บเนี่ยเอาข้าวของมาถวายพระเสร็จเนี่ยมันได้บุญแล้วมันสําเร็จประโยชน์และ้ะบุญเกิดขึ้นละผลเกิดขึ้นในใจและ้ะระหว่างทําบุญกับไม่ทําบุญนี่มีความแตกต่างกันนอะใช่ไหม ทำบุญแล้วรู้สึกไงสุขใจสบายใจเนี่ที่อุทิศก็อุทิศความสุขใจสบายใจความอิ่มใจให้กับดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยพอเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทําบุญเนี่ยอุทิศได้เลยเลยาตโยมส่วนใหญ่ชอบอุทิศแบบรักษาสิภาวนากันไหว้หพระสวดมนต์ทาวัดเช้าเย็น เรจแล้วก็อุทิศบุญกันมันยังไม่ได้ผลพระอาจารย์นะใจยังเป็นเิ็งอยู่ใจยังไม่สงบใจจิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งถ้ารวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิอันนั้นเกิดขึ้นแล้วเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอน ญ, ญาติอยู่อุทิศบุญด้วยการภาวนา ก็รู้ว่ามันยังไม่มีถ้ารอให้มีก็คนรอรับบุญก็ตาย ก, <c oughs> ก็อดตายไปก่อนเลยให้ทำบุญด้วยการทำทานซื้อข่าวซื้อของไปถวายพระเนี่ยถวายพระเพราะว่าพระเป็นผู้ที่รอรับของต่างๆจากญาติโยมอยู่แล้วพระเป็นผู้ที่ ม่มีอาชีพการทำบุญกับพระได้ประโยชน์ห ล, หลายหลายต่อได้บุญแล้วก็ได้สนับสนุนให้พระได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้มาเอาธรรมะมาสั่งสอนญาติโยมต่อไปต่จะทำกับคนอื่นก็ได้บุญก็ได้เหมือนกันแต่ประโยชน์ไม่เท่ากัน ทำบุญกับโรงพยาบาลองนี้ก็จะไม่ได้ธรรมะใช่ไหมโรงพยาบาลเขาไม่รู้เรื่องธรรมะเขารู้แต่เรื่องรักษาเรื่องโครคภัยไข้เจ็บแต่ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ส่งเสริมป ร, ประโยชน์ทางด้านการดูแลรักษาพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนก็ส่งเสริมประโยชน์ต่อการด้านศึกษา อาจจะไม่ได้ธรรมะจากโรงพยาบาลไม่ได้ธรรมะจากโรงเรียนแต่ถ้าทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้านี่จะได้รับธรรมะซึ่งธรรมะนี้มีประโยชน์มากกว่าประโยชน์จากการรักษาพยาบาลเรือการศึกษาเพราะว่าธรรมะนี้รักษาใจให้พ้นทุกข์ได้แต่ โรงพยาบาลยารักษาโรคมีรักษาได้เพียงร่างกายแต่ไม่สามารถรักษาทางใจได้ใจก็ยังต้องทุกข์อยู่กินยาเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่หายเวลาทุกข์นี่ยาอะไรกินเข้าไปก็ไม่หายทุกข์นอกจากยาธรรมโอสถธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำคัญมาก นเวลาทำบุญนะให้คิดถึงพระก่อนถ้าเราอยากจะให้มีธรรมะเป็นที่รักษาใจของพวกเราถ้าไม่มีพระก็จะไม่มีใครมาศึกษาธรรมะไม่มีใครปฏิบัติธรรมไม่มีใครจะเอาธรรมะมาสั่งสอนมามารักษาใจของพวกเราพระนี่ก็เป็นเหมือนหมอใจ แต่ทำกับที่อื่นก็ได้บุญเหมือนกันสมมติถ้าไม่มีวัดเส้นไปอยู่ต่างประเทศไม่มีพระไม่มีวัดก็ยังทำบุญอุทิศได้ไทำโรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้องค์กรสาธารณะต่างๆก็ได้สตาการชาติหรือเวลาไทยทุกเนื้อยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาก็ได้บุญเหมือนกัน เพราะความรู้สึกทางใจเหมือนกัน น, นะเวลาได้ช่วยเหลือคนอื่นนอะใจเราก็มีความสุขมีความอิ่มใจเราก็ยังสามารถอุทิศบุญได้แต่เราจะไม่ได้สนับสนุนให้มีธรรมะอยู่ในโลกไว้มาสอนมารักษาใจของพวกเราให้หายทุกข์กันพวกเราก็ยังจะต้องทุกข์กันไปเรื่อยๆต่อไป แต่ถ้าที่ไหนมีธรรมะโอกาสที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็มีถ้าไม่มีธรรมะโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ไม่มีเลยเพราะเพราะว่าบางทีมีธรรมะยังไม่หลุดพ้นกันเลยเราไม่มีธรรมะมันจะหลุดพ้นได้อย่างไรมีธรรมะเราก็ต้องก้าหาธรรมะเหมือนกัรโรงพยาบาล ถ้าเราไม่เข้าหาโรงพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่มันก็จะไม่หายแต่ถ้าเราเข้าหาหมอเข้าหาโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอเขาก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เราหายธรรมะก็เหมือนกันความไม่สบายใจต่างๆนี่ธรรมะรักษาได้นี่คือ เรื่องของธรรมะที่พวกเราเข้ามาศึกษากันศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติศึกษาก็เหมือนกับไปรับายาจากหมอหมอบอกว่าเอายาที่ไปรับประทานนะวันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นหรือสี่ครั้งก็ก่อนนอนรับประทานไปเรื่อยๆ เราก็ทานแล้วเดี๋ยวโลกที่เป็นอยู่ก็จะหายถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ปฏิบัติเรียนแล้วเราก็บางคนเรียนแล้วก็เอาไปเป็นไปเป็นครูต่อเลยเห็นว่าคนที่เรียนจบคอร์สของหลวงพ่อวิ ร, <ๆ>ริยังหกเดือนแล้วก็ไปเป็นครูต่อไปสอนต่อได้เลยต้องเรียน่เป็น เรียนเพิ่มเท่าไหรก็ไม่พอต่อให้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ยังยังยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ต้องต้องไปปฏิบัติก่อนต้องไปกําจัดความทุกข์ภายในใจของตัวเองให้หมดไปก่อนถึงจะไปสอนคนอื่นได้อย่างถูกต้องแน่นยำถ้าทุกข์ของตัวเองยังดับไม่ได้แล้วจะไปสอนให้เป็นดับทุกข์ของคนอื่นได้อย่างไร ถ้าดับกิเลส ข, ของตนเองยังดับไม่ได้แล้วจะไปสอนให้คนอื่นดับกิเลสเขาได้อย่างไรสมัยนี้ปัญหาคือเราจะไม่ครูปอมกันเนยอะครูจริงไม่ค่อยมีกันเพราะเพราะเอาแต่เรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็เลยเป็นครูปองครูจริงต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายเนี่ยอันนี้ครูจริง ท่านบรรลุธรรมท่านดับความทุกข์ภายในใจจนหมดเสิ้นแล้วกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจหายไปหมดแล้วความโลภความโกรธความหลงการมรรตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้ไม่มีอยู่ในใจแล้วท่านรู้วิธีกําจัดมันแล้วท่านได้กําจัดมันแล้วท่านจึงสามารถสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำคนที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะ กำจัดความทุกข์กำจัดกิเลสตัณหาได้อย่างอย่างราบคาแต่ถ้าคนสอนยังไม่ได้กำจัดเราจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงว่าวิธีกำจัดกำจัดอย่างไรถึงแม้จะรู้วิธีแต่เวลากำจัดนี่มันก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเวลาปฏิบัตินี่มันมันลึกซึ่งมันแยกคลายกว่าการเรียนมันมี สิ่งไรต่างๆอีกมากมายที่ไม่รู้จากการเรียนอย่างเดียวรู้จากการปฏิบัติเหมือนคนที่ไปเรียนทำกับข้าเนี่ยใหม่ๆน้องไม่ทำเอาข้าวดูเลดูมัหน้า ก, กินไหมมันก็เรียนมามีสูตรให้ไหวสายไปแต่มันใส่ผิดสายถูกเออที่ทําไปแล้วเละเยะเละเละทะักเพิกนี่อ่อ มันเนื้อเนื้ออะไรนี่มันกินแล้วไม่ไ ม, ไม่น่ากินทั้งที่ก็มีสูตรให้ใส่เข้าไปแต่ขั้นตอนของการใส่นี่มันมีต้องใส่อะไรเข้าไปก่อนไฟต้องร้อนขนาดไหนอย่างเงี้ยใส่อะไรเข้าไปได้ใส่นอนทั้งเท่าไหร่ใส่นานไปเดี๋ยวผักมันก็ไม่กรอบ่เผักมันก็เละ ก, ก็กินไม่ได้การปฏิบัติมันยัง ม, ม, ม, มีการเรียนรู้อีก ที่ลึกซึ้งกว่าการเรียนรู้จากการฟังอย่างเดียวเวลาเราปฏิบัติเราจะเริ่มเห็นว่าคาว่าสตินี่มันมีความหมายมากมายนะว่าเป็นอย่างไรคาว่าสมาธิคาว่าปัญญาเนี่ยแต่ละคนี่มันมีความหมายที่กว้างขวางลึกซึ้งกว่า เวลาที่เราได้เรียนได้ยินได้ฟังแล้วขั้นตอนของการปฏิบัติมันก็มีขั้นมีตอนถ้าเราไปทำเผิดขั้นตอนมันก็ไม่ได้ผลเหมือนคนที่เคยมีฝรั่งคนหนึ่งอยากจะกินข้าวผัดก็เลยไปซื้อข้าวสารมาแล้วก็ผัดก็ผัดไม่โดยที่ไม่ได้เอาข้าวไปต้มก่อนให้มันสุกก่อน อันนี้ไม่มีใครสอนที่ว่าที่ร่าเอาเข้าวมาผัดเนี่ยก็เลยซื้อข้าวสารมาแล้วก็ใส่ไปในกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ผัดใส่ผักใส่เนื้อใส่เลยออกมาทำไมข้าวมันแข็งกินไม่ได้เพราะ้าผ่านขั้นตอนไม่เอาข้าวไปหุงก่อนหุงข้าวให้มันสุกก่อนแล้วก็มาผัดใช่ไหม การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางคนบอกว่าถอดถอนกิเลสนี่ต้องถอนด้วยปัญญาสมาธินี่ถอนไม่ได้สมาธิเพียงแต่กดกิเลสไว้ก็ไหยข้างขั้นตอนไปไม่ต้องมีสมาธิเลยต้องการถอนกิเลกก็ใช้ปัญญาแต่ปัญญามีปัญญาไม่มีสมาธิก็ไม่มีกําลังที่จะถอนมันได้ก็เหมือนกับผัดข้าวผัดโดยที่ไม่ได้เอาข้าวไปหุง ก, ก่อน ออกมามันก็เข้าผัดนี่เลยข้าผัดเข้าวสารไม่ใช่เป็นข้าสุกอันนี้ก็เหมือนกันใช้ปัญญากิเลสมันก็ไม่ตายมันหลอกตายมันแกล้งทํามันสลบถลายเราก็คิดว่าโอ้ยเราบรรลุแล้วพวกที่ใช้ปัญญานี่เขามักจะคิดว่าเขาบรรลุกันเนี่ยเขาพิจารณาอริยสัจสี่โอ้ยเขาเข้าใจทุกเกิดจากความอยากตอนนี้เราไม่มีความอยากแล้วเราไม่มีทุกแล้วเราก็บรรลุแล้ว ตอนนี้โยมก็บรรลุ ก, กันทุกคนเนี่ยอันนี้มีทุกไหมไม่มีนะมีความอยากไหมไม่มีนะก็บรรุนลแล้วแต่บรรลุตอนช่วคราวเนี่ยเี๋ยเกิดเห็นกระเป๋าขึ้นเห็นรองเท้าขึ้นมาความอยากมันโผล่ขึ้นมาเลยอันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาทีเวลาเวลาไม่ได้ซื้อกระเป๋าไม่ได้ซื้อของที่อยากซื้อขึ้นมานี่ ก็ต้องมีสมารถก่อนต้องมีความสุขใจก่อนถึงจะเลือกหาความสุขอย่างอื่นได้ถ้าเราไม่มีความสุขใจเห็นอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสุขเราก็จะอยากได้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราจะเห็นอะไรเราก็เฉยได้ถ้าเรารู้ว่าความสุข อะไรต่างๆก็ซื่อความสุขที่เกิดจากความสงมบไม่ได้แล้วถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าความสุขที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นเนเป็นความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่หามาเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นไม่มีอะไรข้างๆอยู่ในใจเลย ไปเที่ยวกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปไปงานเลี้ยงไปกินเลี้ยงไปดูภาพยนตร์ไปร่องรำทำเพลงพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปใหม่ถ้าไม่ได้ไปก็ทุกข์อยู่ไม่อยู่ไม่ติดบ้านกันนะแต่ถ้ามีสมาธินี่มันไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปหาความสุขภายนอก พอเกิดความอยากก็ใช้เหตุผลปัญญาว่าความสุขภายนอกเป็นความสุขปลอมได้มาก็เดียวเดียวก็จะหายไปต้องหาอยู่เรื่อยๆสู้อยู่กับความสุขจริงดีกว่าความสุขจริงก็คือความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธินี่แหละพระพุทธเจ้าบอกนัตติสันติพลังสุขขังเลยนะสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี เราต้องมีความสุขอันนี้ก่อนตอนนี้พวกเราไม่มีความสุขอันนี้กันเลยไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนะถึงม้เรียนธรรมะมากันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันพอกลับไปบ้านก็เปิดทีวีดูหนังฟังเพลงกินขนมนอนกับแฟเที่ยวซื้อของอะไรต่างๆธรรมะนี่หยุดกิเลสไม่ได้เลยเ เพราะเราทําใจให้สงบไม่ได้เวลาใจสงบเนี่ยเราหยุดกิเลสได้ชั่วคราวกิเลสหยุดทํางานพอกิเลสหยุดทํางานใจก็มีความสุขขึ้นมาพอเกิดกิเลสขึ้นมาปั๊บถ้าเราไม่หยุดมันเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําแบบเดิมแต่ถ้าพอมันเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วทีนี้เรามีปัน้นเราใช้ปัญญา หลังจากมีสมาธิแล้วเราต้องมาหัดคิดทางปัญญาคิดว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขประเดียวประดาวได้มาแล้วก็หมดไปต้องมาหาอยู่เรื่อยๆต้องมีอยู่เรื่อยๆเหมือนยาเสพติดพอไม่มีเสพเมื่อไหร่ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าใช้ปัญญาคิดอย่างนี้มันก็จะได้ไม่เอาดีกว่า เอาแล้วก็ต้องทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์หรือได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์ได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปของทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการจากกันไปพอเวลาจากกันก็จะทําให้เราไม่สบายใจเศร้าใจเสียใจว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสงบ เรานั่งสมาธิได้เวลาไม่มีอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็พุโทโธพุโทโธของเราทำใจให้สงบไปเจ็ดใจสงบแล้วก็อิ่มได้ความสุขที่ดีกว่าการไปได้อะไรมาถ้าไม่มีสมาธิตักกิเลสไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญาคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันเป็นทุกข์เนะืเพราะมันไม่เที่ยงนะพ่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะไปเมื่อไหร่มันก็ไป สั่งให้มันมามันก็ไม่มาเวลามันไปแล้วสั่งให้มันมามันก็ไม่มาเวลามันจะไปห้ามมันก็ไม่ห้ามมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาอันนี้จางก็คือมันไม่ถาวรได้ปุ๊บปะละดับไปแล้วหมดไปแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่าการทำใจให้สงบกลับมาอยู่กับความสงบดีกว่า IB: พอเราทำอย่างนี้ไปต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังไปต่อไปก็ไม่มีความอยากมารบกวนใจพอไม่มีความอยากใจก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะการเข้าสมาธิก็เพื่อไปหยุดความอยากแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าสมาธิแล้วเราหยุดความอยากได้เวลาเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิพอหยุดความอยากได้ใจเราก็สบาย พอความอยากหมดกำลังใจเราก็จะสบายเหมือนได้เข้าสมาธิคนที่กํหนัดกาจัดกิเลสความอยากได้หมดแล้วไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เข้าสมาธิก็ก็ได้ความสุขเหมือนกันไม่ได้เข้าสมาธิเข้าสมาธิก็ดีต่อในตรนที่ได้หยุดพักจิตไม่ต้องคิดตรงแต่งแต่ความสงบความสุขนี่มีอยู่เท่ากันจะเข้าหรือไม่เข้า ไม่มีความทุกข์เกิด mm hmm. นั้ต้องศึกษาแล้วต้องนำมาไปปฏิบัติเราถึงจะได้ปฏิเวทปฏิเวทก็คือบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติผลก็มีตั้งแต่ขั้นสมาธิได้สมาธิแล้วก็ต้องไปสู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็มีสี่ขั้น ขั้นสูดาบันขั้นส ก, กิดาข้ามีขันน้ข น, ขนอานาขามีขั้นอรหันอันนี้ก็เกิดจากการกําจัดความอยากที่เราตัสองตัวความอยากมันมีหลายตัวกามตัะหาภาวตันหาะวิภวตันห า, ะะ ต, นหาต้องกําจัดมันไปจนกว่ามันจะหมดไปจากใจพอกำจัดหมดหน้าทีนี้ก็ไปทําขั้นต่อไป คือไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปเรียนจบจริงๆแนละ้วจบจริงๆได้ปรนะิญญาแล้วรู้จักวิธีฆ่ากิเลสดับตัญหาทุก อ, อย่างที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำการมีคำถามมีความไม่เข้าใจก็สามารถตอบได้การมีปัญหาก็แก้ให้เขาได้ นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติของพระพุทธศาสนามีอยู่4 5หขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกที่หน่เรียกว่าศึกษาคำสอนขั้นที่สองนำคำสอนไปปฏิบัติปฏิบัติจนบรรลุผลก็เป็นขั้นที่3ปฏิเวชคั้นแรกเรียกว่าปริยัติขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติขั้นที่สเรียกว่าปฏิเวช กันที่สี่พอบรรลุแล้วก็ไปเผยแผ่กันที่สี่ 4, เรียกว่าเผยแผ่และขันที่ห้าถ้ามีปัญหาก็แก้ปัญหาทางธรรมได้การมีปัญหาทางธรรมนี้ถ้าไม่บรรลุธรรมนี้แก้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นผู้บรรลุธรรมนี้แก้ปัญหาได้อย่างตอนนี้เรามีปัญหาทางพุทธศาสนามากแก้ไม่ได้เพราะสังกรลลาก็ไม่ได้เป็นพระมา มหาเทระสมาคมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แก้ปัญหาเดียวมันก็เด้งกลับมาหาตัวเองแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ี่ท่านแก้ได้ตัดได้หมดสั่งเลิกให้หมดมีอะไรที่ไม่ควรมีสั่งให้เลิกให้หมดแต่นี่พระสังฆราชก็มีอพระเทระมหาเทร ะ, ะก็มีพระพระเล็กพระน้อยก็มี ก็เลยสั่งให้เริ่มไปได้ฉันสั่งไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคิดดูถ่าพระตั้งประเทศไม่ใช้โทรศัพท์มือถือได้นี่น่านับถือไหมระหว่างมีโทรศัพท์มือถือกับไม่มีนี่อย่างไหนน่า น, านับถือกว่ากันอ่าใช่ไหมแค่นี้ก็ช้านะใช่ไหมแล้วทำไมทําไม่ได้แค่นี้ก็ทําไม่ได้ก็เพราะว่าคนที่แก้ปัญหาแก้ไม่เป็น มองกลับไปมองเห็นว่าไม่เป็นปัญหากลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีช่วยเผยแผ่ศาสนาได้กลับมองไปนอย่างนั้นถ้าเป็นพาลานท่านบอกมันเป็นเรื่องของกิเลสเั่านั้นเน่เดี๋ยวเราโดนเนะี่ยโมะกันเดี๋ยวโดนอาจารย์ครับ พระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญามากในสมัยที่เป็นพระโพทิสัตว์ทำไมท่านไม่ใช้ปัญญาในการดับทุกข์ไปเลยเพื่อไม่ก็ไม่พอไงยังยังไม่ถึงเออยังไม่ถึงรือว่าแบบมีมากพอแล้วที่เขาบอกว่าอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอาหารเพื่อจะไปไปพระภาวนาก็เป็นได้เลยนะครับอันนั้นไม่ได้หรอขนาดก็ตอนบวชเนี่ต้องหกปีกว่าจะได้นะกาลังหาอยู่กําลังหามีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าแก้อย่างไรมีความทุกข์ใจอยู่ เห็นความแก่ความเจ็บความตายทีไรก็ยังทุกข์ใจอยู่ก็แก้ได้วิธีเดียวตอนต้นก็เข้าไปในสมาธิพอขั้นตอนสมาธิจิตสงบความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปเพราะว่าไม่ไปเห็นมันไม่ไปคิดถึงมันไม่มีความอยากที่จะไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้แหละคือตัวที่ทําให้ทุกข์คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็มองไปที่ร่างกายว่าจะทำไงให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำยังไงก็มันก็ไม่ทำไม่ได้แต่ในที่สุดก็เข้าใจอ๋อเราอยากไปทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเลยทำให้เราทุกข์อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ทำไม่ได้แต่พอเห็นความจริงพอยอมรับความจริงว่าอ๋อมันทำไม่ได้นี่หว่า ก็เลยเลิกความพยายามที่จะไปทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็หายทุกข์ขึ้นมาทันทีท่นก็เลยเข้าใจอ๋อมันเป็นมันต้องมองมุมกลับนะมันคอยจะมองไปมุมพวกเรามักจะแก้ปัญหากับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใช่ไหมใครเป็นปัญหากับเราเราก็ไปแก้ที่เขาใช่ไหมอะไรเสียเราก็ไปแก้โทรศัพท์เสียก็ไปแก้ที่โทรศัพท์แก้เท่าไหร่มันก็ไม่จบเดี๋ยวก็เสียอีกน ในที่สุดก็ต้องอยียบแล้วว่าแก้ไม่ได้มันเสียก็ปล่อยมันเสียไปเลยเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าอยากให้มันไม่เสียพอมันเสียก็ปวดหัวขึ้นมาอันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นของที่ยากมากเพราะมันเป็นของที่ต้องมองกลับเข้ามาข้างในเพราะท่านไม่รู้ว่าตัวปัญหาอยู่ในใจของท่านเองเกอดกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหา คิดว่าตัวปัญห า, อ ย, าอยู่ที่ความไม่เที่ยงอยากจะทาให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงใช่มมีอะไรก็อยากจะทาให้มันดีให้มันอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปนานๆไม่มีวันจบแตมันก็ไม่มีอะไรที่จะไม่มีวันจบทุกอย่างมันจบท่านพยายามมองไปมองไปแล้วในที่สุดก็เปรียบเทียบดูเวลาที่อยู่ในสมาธิทำไมใจเราไม่มีความทุกข์ เพราะตอนนั้นเราไม่ได้ไปคิดไม่ได้ไปคิดที่จะไปแก้อะไรฮะมันก็เลยไม่ทุกข์แต่พอคิดจะไปแก้มันขึ้นมาก็ทุกข์ทันทีพอไปอยากให้มันไม่แก่มันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีท่าก็เลยจับได้เอาไว้ตัวความอยากนี้เอตอนน้องก็คิดว่าอมันทุกข์เพราะเพราะว่ามันเราเราอยากให้มันอยู่ไปนาน ก็เลยไม่กินมันดูเนี่ยหรือว่ามันจะหายทุกไหมก็ ม, มันก็ไม่หายอีกแล้วมันก็ยังทุกข์อยู่ตอนคิดว่าการอดอาหารจะทำให้ความทุกข์หายไปความทุกข์มันก็ยังไม่หายไปคิดว่ายอมตายแต่มันก็ยังไม่ยอมจริงๆมันมันยังไม่เห็นว่าร่างกายนี้เราไปทำอะไรไม่ได้มันต้องเป็นไปตาม ธรรมชาติของมันต้องปล่อยมันไปตามความเป็นจริงมันจะอยู่ก็ต้องปมันอยู่มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปในที่สุดท่านก็ได้ไ ด, ได้ได้คตอบแะที่ก็ต้องอาศัยการใช้ปัญญามาตั้งแต่หลายภพหลายชาติคนที่จะคิดเรื่องราวเหล่า น, นี้ได้ต้องเป็นที่คนชอบคิดชอบคิดชอบถามตัวเอง ชอบถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนักวิทยาศาสตร์นี่เขก็เป็นพวกที่เหมือนโพลทิศว์เหมือนกันแต่เขาโพลทิศว์ไปทางด้านภายนอกอเช่นมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งถามว่าทําไมผลไม้มันมันตกลงมาทําไมไม่ลอยขึ้นไปมันมีทางไปได้สองทางนี่ใช่ไม่ตกก็ต้องลอยขึ้นไปทําไมมันถึงทุกอย่างมันถึงต้อ ง, งตกลงมา ก็คิดมันก็เลยบอกว่าคงจะมีอะไรดึงมันลงมาบ้างก็เลยได้คําตอบว่ามันมีแรงดึงดูดโลกนี้ดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ติดกับโลกทาให้พวกเราไม่ลอยขึ้นไปท้องฟ้ากันแล้ววิธีเขาก็เลยได้คนพบวิธีถ้าอยากจะลอยก็ต้องหาอะไรดึงให้มันมีกําลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกเขาก็เลยหาใบพกใบพัดมาหมุนกันเอหมุนกันมันก็เลยทําให้ลอยขึ้นไปได้ ใบพัดนี่มันก็จะดึงให้ร่างกายนี้ลอยขึ้นไปได้เห็นนกแล้วมันมีปีกก็เลยสร้างเครื่องบินให้มันมีปีกเหมือนกันมันทำปีกกระพือไม่ได้เหมือนนกมันก็เลยหาวิธีันกระพือโดยใช้ใชบพัดแทนมันก็เลยทำให้มันมีกำลังลอยขึ้นไปได้อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนเราต้องหัดคิดหัดอะไร ส่วนพวกเราเนี้ยไม่ต้องระดับโพธิสัตว์แต่เราก็ยังต้องรู้จักคิดคิดให้เป็นเหมือนกันคิดตามได้คิดตามที่พระเจ้าสอนได้ว่าความทุกข์เกิดจากเหตุนี้นะคือเกิดจากความอยากนี่ถ้าเราคิดแล้วเห็นภาพเราก็จะหยุดความอยากแต่ถ้าเรายังไม่เห็นไม่เข้าใจเขาไปหยุดทาไมหยุดแล้วมันจะได้อะไระหยุดแล้วรู้สึกมันทรมานยิ่งกว่าไม่หยุดที่ ก็เลยไม่หยุดกันฮะแส ด, สดงว่ายังโง่อยู่ยังเห็นว่าการหยุดความอยากถึงแม้พุทธเจ้ารับรองรับประการว่าหยุดความอยากเราจะหายทุกเรากลับเห็นว่าหยุดความอยากก็มันทุกข์อ่ะเราจะไปหยุดมันได้ยังไงมันก็เลยไม่หยุดกันเนี่ยฟังเทศฟังธรรมกี่กี่พันครั้งกี่ร้อยครั้งมันก็ไม่เข้าใจ ยังไม่เข้าจะนั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยก็จะนั่งไม่สงบก็เรื่องของเรื่องก็คือไม่ยอมให้มันไม่ยอมควบคุมใจใจมันชอบเป็นอิสระพอควบคุมมันเหมือนถูกจับเข้าไปนั่งในกองเนียพอให้นั่งเฉยๆนี่อุดอัดขึ้นมาแน่นหน้าอกแน่นหน่าผาขึ้นมาเลยแต่ถ้าให้นั่งดูหนังนี่ไม่นั่นนะนั่งเล่นไพ่นี่ไม่นั่งไม่ เวลานั่งต้องมีอะไรให้ดูให้ทำมันถึงไม่อึดอัดแต่พอให้นั่งเฉยๆไม่มีลูกเสียงกิ่ลรให้ดูให้ฟังเนี่ยโอ้ยอึดอัดขึ้นมาเหมือนถูกจับเขาไปขังในกรงเนี่ยเาไม่มีสติก็หยุดมันถ้ามีสติอย่าไปสนใจความอึดอัดใหม่ๆมันจะอึดอัดก็ช่างหัวมันเราพยายามพุโทโธพุโทโธไปแล้วพุโทโธนี้มันจะหยุดความอยากให้เรา พอหยู่ความอยากพอพูดโธพูดโธไปความอยากมันก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงแล้วเดี๋ยวพอมันหมดกําลังปั๊บจิตก็นิ่งสงบขึ้นมาความอารมณ์รู้สึกอึดอัดอะไรภายในนี้มันก็จะหายไปหมดแต่มันหายเดียวๆเพราะว่ากําลังสติมันมีไม่มากพอสงบได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวกิเลสมันมีกําลังโผล่ขึ้นมาใหม่มันก็สร้างความอึดอัดอยากจะลุกขึ้นมาแล้ว ก็เลยต้องลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาถ้าไม่ทําต่อเดี๋ยวมันก็พาไปหากาแฟแล้วหาขนมนะส่วนใหญ่ผู้นั่งสมาธิแล้วว่าจาปัญหาใหญ่ของผู้นั่งสมาธิเลยคือนั่งแล้วชอบฟุ้งร้าง น, นั่นเองก็ไม่ขาดการเจริญสติไม่ยอมอยู่กับพุโทโธนะนะสอนให้อยู่กับพุโทโธไม่ยอมอยู่กันชอบคิดเรื่องอื่นไม่ชอบคิดพุดโทโธพุโทโธมันก็เป็นความคิดเหมือนกันแต่เราไม่ชอบของ จำซากจำเจชอบคิดแบบพิสดารแบบแนวเสื้อผ้าต้องสีอย่างนั้นต้องแขนอย่างนั้นต้องเชฟอย่างนั้นขุ่นอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้โ อ, อ้คิดได้ทั้งวันออกแบบเสื้อผ้าได้ออกแบบรองเท้าได้อคิดนี้ไม่เบื่อชอบคิดแบบนี้แต่คิดแบบนี้แล้วมันไม่สงบมันไม่นิ่งมันไม่หยุดแต่พอใมาคิดแบบพุโทโธพุโทโธคําเดียวนี้โอ้ไม่ไหวเลย คิดไม่ออกง่ายจะตายกับคิดไม่ได้ไม่ยอมคิดเบื่อเหมือนให้กินค่ะเ ข, ขาขาไก่เจียวหมูผัดไอข่ยเจียวทุกวันนี้รักไข่เจียวไงเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็ไม่กินแล้วกินไม่ลงอ่ะ<ป>พออะไรมัน จ, จําเจซ้ำซากมันเบื่อมันไม่ชอบเนยเราต้องพยายามฝืนความไม่ชอบนี้ให้ได้พุโทโธพุโทโธไปชอบไม่ชอบก็หัดพุดโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ถ้ามีเก้าอี้นะถ้าอยากจะนั่งเก้าอี้ก็ได้คนต่อมาใหแม้นั่งเก้าอี้ก็ได้เนีย่ยต้องพยายามอดทนแล้วคุณสมัยก่อนทำไมพวกนั่งสมาธิกันได้เหมือนกันอ่ะได้ใจเยอะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีมันไม่รู้จะทําอะไรกันพ อ, อกตกค่ำมันสมัยก่อ น, น, นก็ไม่มี เหมือนกันสมัยไม่ต้องพุทธเจานะ้าเมืองไทยเมื่อร้อยปีนี่<ม>ก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรมันไม่รู้จะไปไหนกันมันก็อยู่บ้านก็ไหว้พระสดมันกันวนกันถอนนอนน้ำก็ไม่มีดูอะไรก็ไม่มีนานทีปีหนจะมีงานวัดสักทีก็ค่อยไปกันนอกนั้นก็อยู่บ้านไหว้พระสดวนแลทุกคนก็วันสาววั น, ว, นวันพระวันโกนก็เข้าวัดกันมีการสอนมันตั้งแต่เด็กใช่ไหม มีการอบรมสั่งสอนกันตั้งแต่เด็กมันก็เลยมีอะไรเป็นนิ ส, สัยขึ้นมาพอโตเป็นผู้ใหญ่มันก็มันก็ไม่รู้จะทําอะไรมันก็ไหว้พระสวดมนต์กันเป็นกิจกรรมวันพระก็ไปอยู่วัดกันไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมกันตอนต้นทก็ให้สวดมนต์ก่อนเพราะสวดมนต์มันไม่จําเจสวดมนต์ยังไม่มีมันเปลี่ยนคําไปเรื่อยๆ อ, อิติปิโสภักขวาลังสมาอ มันก็เหมือนแทนที่จะใช้พุทโธให้ใช้ทีปิโสไปก่อนอุบายก็อันเดียวกันก็คือเป้าหมายอันเดียวกันคือไม่ให้ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สมัยโบราณก็ไม่มีเรื่องจะคิดมากปลูกข้าวเสร็จไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรคุณเลืบรรลุธรรมกันเยอะกว่าก็น่าจะเยอะกว่าสมัยนี้แหละยิ่งยิ่งจะเลยยิ่งจะเลินทางวัตถุทลายยิ่งยิ่งไม่มีทางที่จะอย่างนี้คนเข้าวัดน้อยกว่าคนสมัยก่อนเยอะกว่า ไม่ต้องรับรู้ข่าวสารต่างประเทศข่าวสารต่างๆเรื่องราวาต่างๆมันทําให้จิตคิดเนี่ยยิ่งคิดกันใหญ่ดูอะไรมันก็ต้องคิดกับสิ่งที่เราดูเห็นอะไรได้ยินอะไรก็คิดไปไดเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันก็ยังคิดอยู่ให้มานั่งพุโทโธพุโทโธมันก็ยังคิดถึงข่าวสารที่ได้ติดตามมาอยู่มันก็เลยไม่มีวล น, นที่จะทำใจให้สงบได้มันก็เลยหาทางรัดกันก็ว่าเอาปัญญาเลยก็ได้นั่นนะ เพราะว่าความใช้ปัญญาหยุดจิตก็ได้แต่ปัญญาเนี่ยต้องเป็นปัญญาจริงๆแล้วก็เราต้องมีกำลังที่จะเอาไปใช้จริงๆคือพิจารณาแล้วเห็นว่าความอยากนี่เป็นทุกข์เนี่ยพออยากจะทำอะไรก็ไม่ทำมันเนี่ยแต่ถ้าไม่มีกำลังก็ทำไม่ได้อยู่ดีงั้นก็ต้องกลับมาที่พุโทโธง่ายกว่า พุโทโธพุโทโแล้วสวดมนต์ไปก่อนถ้ายังยังพุดโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนอัดสวดบทอีพีโซ่ทำว่าเช้าวัดเย็นสวดบทไหนก็ได้เวลาสวดแล้วมันก็จะไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความฟุ้งซ่านก็จะหายไปแต่ยังไม่สงบยังไม่รวมอย่างที่โยมบอกว่าตอนต้นให้พุโทโธก่อนพอจิตเริ่มไม่ไม่คิดแล้วก็มาดูลมต่อดูลมล ไม่คิดอะไรนี้ถือว่าดีไหมคะถ้ายังถามนี้ก็แสดงว่ายังไม่แม่ลูกูกกว่าแนวทางว่าบางครั้งสมถะสอนให้แบบกรองอารมณ์ให้ปัสแจกความคิดนะคะแต่ปัญญา ก, ก็คือสอนให้เราคิดไม่แม่ถูกอ่ันางว่ายังปฏิบัติสมาธิไม่ถึงจุดมัน เ, เพราะว่าถ้าได้สมาธิจริงๆมันเหมือนได้ไปถึงนิพพานแล้วแต่มันเป็นนิพพานชั่วข่า ว, ว, าวมันเป็นความสุข ของนิพพานแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะตอนนั้นกิเลสมันหยุดไปชั่วคราวนิพพานนี้กิเลสมันหยุดอย่างถาวรคนที่ได้สมาธิจริงๆนี่ได้ไปถึงนิพพานแล้วเหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่างนะเราจะทีนี้จะติดใจแล้วจะไม่จะไม่ต้องการอะไรนะนี่ต้องการจะเอาใช้ปัญญามามาสู้กับกิเลสละเพราะถ้าไม่มีปัญญามันก็ยังสู้ยังยัง ยังเลิกความอยากไม่ได้มันยังเห็นว่าดีอยู่ยังยังเป็นสุขอยู่แต่ถ้ามีปัญญามันจะเห็นว่าไม่เที่ยง ป, ญญปัญญาในที่นีไ้ไม่ถึงปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจ อ, อของเราถูกต้องเห็นว่าของที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์เพราะเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนไปมันหมดไป เ, เวลาเปลี่ยนไปหมดไปนี่เป็นไงเห็นไหมคนที่แต่งงานกันนี้คิดว่าเป็นสุขใช่ไหม แล้วพอแต่งเข้าไปจริงๆแล้วเป็นไงเดี๋ยวก็เจอทุกข์เลยนะแต่จะเจอทุกข์แต่มันก็ทิ้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทิ้งก็ทุกข์ไม่ทิ้งก็ทุกข์ไม่ทิ้งก็ยังมีสุขผสมอยู่บ้างยิ่งเี้มันเลยทิ้งไม่ได้ก็เลยยอมทุกข์กับมันไปเข้าใจไหมแต่ถ้ามีสมาธิแล้วกูทิ้งได้ทันทีเลยเข้าใจไหมไม่เอาไม่มีอะไรดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเอข้าใจแล้วก็ไปวันได้ ถ้าไม่มีตัวนี้มันมันสอนใจยังไงใจก็บอกกรรมขียดยังดีกว่ากรรมตดเข้ <laughs> าใจไหมถึงแม้ว่าจะทุกข์วันมันก็ยังมีสุขบ้างนเอสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวก็รักกันบ้างสลับกันไปมันก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวเหงาไปทุกวัน <laughs> ไม่มีสุขเลยแต่ถ้ามีสมาชิกมาแทนมันก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ได้เอ ไม่มีแฟนดีกว่าเสกไม่ไม่มีทุกถ้ามีสมาธิแล้วไม่ต้องมีแฟนมีความสุขอยากความสงบตลอดเวลาเวลาไม่สงบเวลาอยากมีแฟนก็เข้าไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจสงบปั๊บก็ความอยากมีแฟนก็หายไปต่อไปก็จะไม่อยากจะมีแฟนต่อไปยังยังนั่งสมาธิยังไม่ถึงจุดนั้นจุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ จิตรวมเป็นอย่างศัก์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขารับรองได้ลูกศิษย์หลวงพ่อวิทยาังทั้งหมดที่เรียนจบเนี่ยไม่มีใครได้ถึงจุดนั่นกัสักคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปถามนะเพราะขณะเป็นพระหลวงตานี่ท่านบวชเป็นพระท่านบอกท่านตอนสมัยที่ท่านบวชท่านยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบท่านเรียนหนังสืออยู่ท่านบอกจิตท่านรวมเพียงสาครั้งเท่านั้นเองหปีจากการเป็นพระ แต่พอไปปฏิบัติกับน้องปู่มากนั้นทีนี้จิตมาเริ่มรวมเพราะเป็นปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับสม่ไม่เรียนหนังสือยังไม่ยังไม่เจริญสติเดี๋ยวต้องไปเรียนหนังสือเดี๋ยวต้องไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นอยู่ท่านว่าท่านจิตเคยรวมให้เพียงสามครั้งเท่านี้นแการภาษีภาษาญาติโยมเดินสาวทิทศกันนมันจะไปไม่มีทางอะ หลวงตาบอกว่าท่านติดสมาธิอยู่ตั้งห้าปีนะพราจไม่ใช่ไปเไหนเอามาให้เราดูสิเราไม่เคยได้ยินเนี่ยพูดได้ยินวันเนี้ยเราอยู่กับท่านมาต้องนานเนี่ยคุณได้ยินว่าท่านจะติดสมาธิมาห้าปีเลยไม่พอใจเลยไม่พอใจแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นอืขอทางรัญา งั้นต้องพยายามเอาขั้นสมาธิให้ได้ก่อนก่อนที่จะจะไปทางขั้นปัญญาก่อนที่จะไปฆ่ากิเลสได้ก่อนที่จะไปสอนคนอื่นได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นเหล่า น, นี้เี่นเด็กก็ไปสอนกันแบบนกแก้วสอนกันเนะี่ย แก้วจ๋าแก้วจ๋าน้องแก้วมันก็พูดได้แต่พอเอาแก้วให้มันมันเขียดทิ้งไปมันจะเอากล้วยพอยื่ น, นกล้วยเหมัอนความมักความมักพวกนี้ก็เหมือนกันสอนธรรมะโอ้ยฆ่ากิเลสตัณหาได้พอกระเป๋ามาให้ความมัพกพอเอาพอเอาตั๋วให้ไปส่งตั๋วให้ไปเที่ยวไหนไปความมักกันเลยเออพอหมอให้ไปปฏิบัติธรรมสักสาวันห้าวันนี่ไม่เอาหานันหน้าหนีกันหมด ให้ตัวต๋วฟรีไปปฏิบัติธรรมกันไม่เอาให้ตัวฟรีไปเที่ยวฮ่องกองนี่ความากกันเลยเรียวกว่ากะเรียวกวก่าพูดเรียนแก้วจา๋าแก้วไอ้กว้วยแก้วจา๋าแก้วจา๋าพูดได้ธรรมะต่างๆรู้หมดศีล ส, สมาธิปัญญาศีลมีกี่ชนิดศีลห้าศีลแปดศีลสองรอยี่สิบเจ็ดรู้หมดกิเลสมีกี่ชนิดรู้หมดกามตัณหาภาวะตัณหาอ ยิ่งพวกปฏิบัติพวกศึกษาพิธามยิ่งรู้นละอีกขใหญ่มีอุปกิเล็มีนู่นมีนี่เรา <ละ S 1> ยังไม่รู้เลยเนี่ยมมมมเขารู้กันเนี่ยรู้แล้ว ม, มันทําอะไรได้ทำไม่ได้สุนอยากจะเห็นเขาใช้แต่วิธีข่มไว้ก็ได้ ข, มข<น>่มไว้แต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ปัญญาในการเห็นจริง<อ>แตอข่มไว้ข่มไว้เดีด๋ยวข่มไม่ไหวก็แตก ผมไปสักพักเดี๋ยวก็เที่ยวแหลกเลยไปจําสิงอยู่พักหนึ่งเดียวพอทนน้อเกาที่ยวแหลกเลยที่ยวกินแหลกเลยงั้นก็ตอนนี้หมดชั่วโมงแรกนะจะขอให้พรก่อนแล้วเดี๋ยวใครอยากจะถวายของก็ถวายต่อได้ยะทะ ว, วาหรวาฮาปุราปาริกปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสัมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปะจันโทปนะระโสยทัมณิโชติระโสย h ัสสะพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินัสตุ มาเตผวะอันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีลิศานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวโนสุขังภาลัง เนี่ยออที่วัดป่าแก้วไปหลายที่งตกเนกันอ๋อนงปู่ท่านสบายดีเลยอุล่าใช่ไหมไม่ค่อยดีเลยัไปทาะเลยมาเยออใจท่านดีเสมอร่างกายก็มันก็เป็นไปตามวัยของมันท่านโดนแลไวไปดูโดนเข้าข้างในไหมคอ่าออไปคนเดียวแหละก็ไปกับเพื่อน ไปที่ขึ้นสว่างด้วยใ่ตรงแต่กูพานับตรงมหาปัญญาอ่าไปทาไมทําบุญเก่งไปเรื่อยอ๋อเก่งนะไปคนเดียวเนี่ยอือไปคนอื่นไม่ว่างอเียบ้วยละนักบุญต้องอย่างนี้นักธรรมนี่ต้องต้องบุกเดียวอาจารย์รูอ่ก็เราก็เป็นอย่างนั้นไงเราไปวัดเราปฏิบัติธรรมเราไม่อยู่กับใคร ไปของเราคนเดียวดีกว่าสบายจิตถามการจะรบกวนอ่าถามมาเลยเอ่ะคือปฏิบัติเองได้สักระยะนึ่งดังๆหน่อยถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโอ้ยทั่วโลกยิงๆไม่อยากออกวิทยาทานเป็นธรรมทานก็ปฏิบัติมาสระยะหนึ่งหลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้จิตก็ไม่อะไรจับอะไรไม่เป็นอะไรอะไรก็ พี่นั่งๆอยู่นี้ก็ไม่มีแล้วคเวทนาไม่ได้ค่ะเวทนายังมีอยู่ค่ะบางคั้งบ๊อบบาังมีอแต่บางทีมีแค่ลมหายใจแต่ตรงนี้หายก็คือเรียกเจนเมันข้าข้างในเจิตมันข้าข้างในเวลานั่งสมาธิจิตมันจะถอนออกจากร่างกายเดี๋ยวถ้ามันเข้าไปนึกๆกร่างกายก็หายไปเลยหายก็หายลหายไปเลยถูกต้องถูกทาวใช่เลยหาเหลแต่ผู้รู้กแต่ว่ารู้อยู่ สงบกลัวกลัวว่าจะเป็น่อุปทานแต่อย่าไปรู้ไปเห็นอะไรให้มันว่างดูเห็นอะไรอย่าไปสนใจให้พุทโธต่อไปให้ไปจนกว่ามันจะว่างจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขไม่่ใชคอมันจะอะไรไม่ต้องช่างหัวมันะอไว้มันสุขก็แล้วกันเดี๋ยวก็ไปยึดติดคําว่าฌานนั่นเอง แบ่อะไรกอะไรนี่ดีแล้วเอาความเอาความสุขก็แล้วกันเอาความสุขความสบายใจนั่นแหละไม่สุขไม่กก็เอุเบกขาไงสักแต่ว่าถูกต้องยังยังนี่ยังเป็นแค่สมาธิปัญญาต้องออกจากสมาธิแล้วมาคิดถึงเรื่องตาว่างต่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราผ่านแล้วต้องปล่อยไม่ใช่ผ่านเฉยๆผ่านแล้วต้องปล่อย ป่อยทุกอย่างที่เราที่เราพิจารณาว่าไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเจะาองให้หมดแ้ไม่ใช่ไหมคะภาานกิษครับให้หมดเลยเหรอใช่ครับอู้จาจารยจารอ่านหมดก็เาไปครับเจ้าเจ้ไปให้ใครอ่านเองเหรออ่านเองด้วยค่ะเพื่อเพื่อเจอคนเพื่อคนที่เขาต่างชาติแล้วก็แนะแชร์ธรรมทานต่อไปอีอ้าวใชเอาเลยเยอะมากจริงเลยอะไรครับแจกยู่แล้วเท่าไหร่คะอุตส่าห์ที่ค อาจารย์ไม่ได้ไานตค่ะกำลังมาที่ห้านะคะอ๋อตั้งแต่ออกมาที้ไม่เคยกลับไปเลยไปที่ไปตลาดเวลาไปในใจเนี่ยใจคิดถึงตลอดเวลาไม่ต้องไปทางกายไปทางใจนูบังเอิญไปเจอค่ะอาจารย์ท่านปิดมากับแม่ชีคี่หนูนั่งนั่งรถแดงข้ามมาก็เลยได้ร่วมทระทินไปกับบ้านเจอกันใครเจอพายอาจามาจากบ้านตาอ๋ออืมอ่าดีสาธุ แล้วบ้านอยู่ที่ไหนอย่<ะ>อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ลังสิตลังสิ ต, ตไปกพาแล้วก็ไปมหาลัยการแ ล, ล้วเดีด๋วกลับไปลังสิตต่ อ, อขับรถมาเลยขลดลดับนั่งรถรถ รถบัสมาแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆเนี่ยอ่าน่จะกลับยังไงี่ก็ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์ขึ้มารับแล้วก็กลับรถบัสก็ที่จัดจ้างก็ยังมีครับอาจารย์นั่งมล้อมอเตอร์ไซค์ไปางทีเดินค่อรกลับก็ได้นะครับเดี๋ยวก็มีคนลงเยอะแยะุ้ยหนูขี้เก่งใจครัอเคอ่าใช่ได้น้กปฏิบัติทำลงอย่างนี้เราไม่เพิ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เดือดเดินใครไม่รบกวนใครนี่เขาก็เห็นเราเขาก็เมตตาเราเองอ่ะเกงใจอดี ใช้ได้เนี่ยนักบุญนักปฏิบัติต้องกล้ า, าหาเนียต้องไปเดียวเนี่ยใครจะมาขออยู่บนเขานี่เราบอกต้องมาคนเดียวถ้ามาเป็นคู่นี่ไม่ให้มามาเดี๋ยวมันมาเกาะมาคุยกันมาถ้ามาคนเดียวนี่มันจะภาวนาอย่างเดียวใช้การภาวนาเป็นที่พึ่งถ้ามีเพื่อนปั๊บเนี่ยมันคุยกันละ ของหนาก็เดินไปคุยกันแล้วเสียเวลาแที่นี่มาแล้วไม่รู้จักใครไปคุยกับใครก็ไม่มีก็เลยต้องนั่งสมาธิเป็นเพื่อนไปแทนเนีย่ยตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติเราก็ไม่เคยยุ่งกับใครแล้วของเราคนเดียวปฏิบัติอยู่ของเราคนเดียวหาหนังสือมาอ่านเองอะไรเองพอจะบวชก็ไปติดต่อเองไปหาวัดบวชเอง บวชแล้วเวลาไปปฏิบัติก็หาวัดปฏิบัติเองไปเองไปคนเดียวตลอดไม่มีไม่มีเป็นเพื่อนเราเป็นตั้งเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่มันไม่มีเพื่อนมันมีเพื่อนแต่มันไม่มันไม่มันไม่มันไม่ติดอ่ะมันไม่ผูกพันเวลาเจอกันก็คุยกันเล่นกันได้แต่พอเวลาไม่มีเหตุที่ต้องจะคุยกันก็อยู่คนเดียวดีกว่ามันกว่ามันไม่เหงาอ่ะมันไม่ มันมันก็เหงาบ้างบางครั้งบางเวลามันก็เคยกิเลสมันก็โผลบางครั้งมันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยโผ่เพราะจิตมันค่อนข้างจะสงบโดยธรรมชาติของมันมันก็เลยรู้มันอยู่คนเดียวได้แต่บางทีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนบ่อยๆมันก็พอมาอยู่คนเดียวมันก็เหงาขึ้นมะแต่มันก็ปรับตัวได้เร็วไม่กี่วันแล้มันก็หายแล้วมันก็เลย ช้าอยู่คนเดียวทําอะไรก็ทําคนเดียวคล่องแค่ ว, ว่องไวสะดวกทํากับคนอื่นเนี่ยต้องมาลงมติลงเสียงอีกออกเสียงอีกเขาเอาไม่เอาเนี่ยก็ไปไม่ได้ทําไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคนเดียวนี่เราตัดสินใจของเราได้ร้อเอรซอะไรก็ทําได้เลยไปได้เลย ส่วนใหญ่คนเดียวต้องดูแลด้วยการคนอื่นมองว่าแบบเป็นตัวประหลาดใช่ไหมจ๊ะก็ธรรมดาเว่าเราเป็นบ้านเขาเจ้าก็เหมือนคนบ้าเนะ่ยเป็นเป็นลูกกษัตริย์เนี่ยไปอยู่แบบเป็นไปเป็นขอทานไปอยู่คนเดียวถ้าคนธรรมดาทั้งโลกเขาก็ว่าบ้าทั้งนั้นแต่ะสมัยก่อนที่เราบวชใคยๆเขาก็ว่าเราบ้าทั้งนั้น ไอ้นี่ไปเรียนจบมาจากเมืองนอกมันก็แล้วงานการมันก็ไม่ทำมีแต่ไปนั่งสมาธิของมันอยู่คนเดียวอก่อนบางทีบางบางทีเราอยู่ในบ้านเบื่อล้วก็ออกไปนั่งแถวพัทยาไปสมัยนั้นเงียบไปหาหาที่ไม่มีคนไปนั่งตามโขดหินดมอะไร น, นั่งคนเดียวกลางแดดเลยอาบแดดไปร้อนมากๆ ก, ก็ลงไปแช่ในนะ้ำ หายรอนก็ลุกขึมานั่งใหม่พอเย็นก็กลับบ้านตอนกลางวันก็ออกมาหาหมุมสงบแถวแถวแถวชายทะเลแถวนี้อยู่ของเราอ่านหนังสือธรร ม, มะมีย่ามอยู่ใบหนึ่งมีหนังสือธรร ม, มะอยู่เล่มสองเล่มถ้าไม่นั่งสมาธิก็อ่านหนังสือเบื่ออ่านหนังสือก็นั่งสมาธิ ก, ก, กลับได้เลยไม่มีอะไรถามเลยไหมไม่มีครัก็ ดูติดตามอยู่ด้วยอ๋อติดตามทาง facebook อยู่นะะพยายามลุยนะออทางนี้ทางที่ทางดีทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่าไปรอคนอื่นถ้ารอคนนู้นคนนี้ไปปฏิบัติแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่ได้ไปเพราะพอเขาสะดวกเราไม่สะดวกพอเราสะดวกเขาไม่สะดวกไปคนเดียวได้ดี ผมอยากให้การับสอประโยคไม่ตื่นใตัวเองอะไรทประโยคที่เหมาะกับก็นี่ให้ตรงเยอะแยะเราเนี้เลอเอาบสั้นๆก็พกเวลาเน็กแล้วจะได้สื่อึงสสาประโยคนี้พุทโธพุทโธ่ไปอ่าพุทโธไปประโยคนี้พุทโธ่เป็นเพื่อนคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไป อ่าอย่างเดียวไม่รู้จะทําอะไรกับพุโทโธพุโทโธไปพระอาจารย์ครับมันมีมันมีคนคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาชอบคิดว่าจะจะหลุดพ้นได้เนี่ยด้วยต้องนั่งสมาธิเท่านั้นผมก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นความคิดที่ผมพูดไปนะครับไม่รู้จาผิดพะอาจารย์หอกได้เลยครับผมบอกว่าพระพุทธเจ้าหลุดพน้นไม่ใช่เพราะนั่งสมาธิหลุดพ้นจากปัญญาที่ถูกไหมครับใช่แต่ต้องมีสมาธิเป็นใช่ เป็นผู้สนับสนุนปัญญาปัญญาไม่มีสมาธิก็เป็นปัญญาที่ไม่มีกําลังเหมือนคนที่ไปทํางานไม่ได้พักผอ่อนหลับนอนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเวลาไปทํางานก็ทําให้สําเร็จจะทําสําเร็จนี้ต้องมีการพักผอ่อนหลับนอนมีการรับประทานอาหารสมาธินี้เป็นอาหารของใจเป็นการแล้วแล้วพระอาจารย์เขาพูดว่าเจ้าสองพระองค์สองสองข้านนำดื่ม ม่หลุดเนี่ยพราะท่านตายไปก่อนเนี่ยท่านต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่่ตอนนี้ยังอยู่ที่เป็นชั้นพรหมโลกอยู่ท่านได้บรรลุรูประชานะรูกประชานแต่ไปบรรลุที่น่นไม่ได้ใช่ไมเวลาอยู่ในฌานนี้ไม่ติดต่อกับใครถ้าอยู่เทพชั้นเทพยังติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้ยงม่ชั้นไหนที่ว่าไปบรรลุที่ที่นอ๋อนี่ชั้นอนาคามีคนละพรหมกันอันนี้อันนี้พรหมปัญญา ไปด้วยปัญญาตาดัดตัดกามระกามะฐานหาได้หมดก็ไปเป็นพมเหมือนกันแต่ไปไปไปด้วยปัญญาแต่นี่เขาไปด้วยสติสติกดกดกามราคะไว้แต่นี่ใช้ปัญญาฆ่ามันก็เลยไปแบบไม่กลับก็เป็นนั่งตัวแข่งอยู่ที่บึภูมิไม่มีตัวแล้วไม่มีร่างกายแล้วตัว จิตอยู่ในชาญอยู่กับความสุขเองแต่ว่าชานี้ยังเสื่อมได้ต้องใช้ปัญญาเถีงยงาทำให้ไม่เสือ่อมกหีหม่ปีน ะ, ะไม่รู้กหมืนอนก็ไม่รู้เหมือนกันแนตะ่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่เจอพระพุทธศาสนาเพราะศาสนานี้พระุเจ้าบอกมีอายุไม่เกินห้าพันปี <c oughs> ก็ถ้าโชคดีถ้ามาเกิดช่วงที่มีภาษีอา่านซึ่งเมื่อเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังอีกยาวไกลไกลแสนไกลน่าเสียดายเสียโอกาสถ้าไปเป็นเทพยังจะดีกว่าแม่ของพระุทธเจ้าไปเป็นเทพเนี่ยก็สอนให้บรรลุเป็นโสดาบันอพอเป็นโสดาบันได้ก็ไปเองได้ละไม่ต้องมีใครสอนลอะ สามารถปฏิบัติไปตามตามความรู้ของตนได้ลนะ่ะรู้ทางแนละ้วสวดาบาลเนะี่ยเข้ากระแสเนนะี่ก็เข้ากระแสสู่พระนิพพานแล้วกนะระแสนี้มันจะพาไปเองเหมือนเราลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็พาเราลงทะเลไม่ไม่ต้องว่ายไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมันก็น้ำมันมก็จะไหลลงทะเลไปกระแสของพระนิพพานก็จะไหลไปสู่พระนิพพาน <Okay. S 1> พอใครเข้าสู่กระแสแล้วก็ก็จะถูกกระแสนี้พาไปเองอแต่ก็ต้องปฏิบัติเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติง่ายมันจะทุกอย่างมันจะบังคับให้เราปฏิบัติไปในตัวเราต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอนไม่มีก็ได้ ม, มีก็ดีมีก็จะเร็วไม่มีก็จะช้าไม่มีก็ต้องลองผิดลองถูกแต่ไม่หลงทางรู้ว่าต้องไปทางนี้แต่วิธีที่จะ ไปให้มันเร็วนี่มันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะไปติดซ้ายติดขวาแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็คอยดึงให้อยู่ตรงกลางนะแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่ไม่มีทางต้องการแต่แน่นอนอาจารย์ก็เนี่ยก็ฟังทุกวันไงก็ปัญญาทั้งนั้นอ่ะถ้ามันถ้ามันมีสมาธิอ่ามีแต่ปัญญาสมาธิยังไม่ได้ครับอได้ Us, สมัยพุทธกาลพวกที่ฟังธรรมแล้วบรรลุเพราะเขามีสมาธิเราก็ฟังธรรมปุ๊บเขาเข้าใจตัดกิเลสได้ทันทีก็มีกําลังตัดได้แต่เราไม่มีกําลังตัดอพระเจ้าบอกให้ตัดแต่เราตัดไม่ตัดไม่ลงเสียดายเนี่ยว่าให้ตัดกระเป๋าสองจิตสองใจตัดเสือเสอออเส้อผ้าเสียเนียอย่างหลวงพ่อบอกมีเสื้อผ้ายกให้คนจนหมดไปเดี๋ไม่แค่สองสามชุดก็พออืเอ้าอ่มลองทําดูเลย โก้จักไว้หรอกเว้ยตอกไม่ได้ใช่ปัญญามันมีแต่กำลังจะตัดไม่มีความหวงความนักของต่างๆยังมีมากกว่าความยึดติดมันยังมากก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากของมนุษย์ใช่ไหมกะการยากของทุกคนแต่ถ้าใครมีสติสามารถทำใจให้สงบได้มันตัดได้หมด พอบอกให้บอกว่านี่เป็นพิษใครอยากจะเอาเก็บไว้นะพอบอกว่านี่เป็นงูพิษจะเก็บไว้ทําไมเราไปเห็นว่าเป็นปลาไหลแล้วมันเรียกมันต่อไปเดี๋ยววันดีคืนดีกระดดมันกัดเผลอมันเดี๋ยวมันค่อยกัดเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวต้องมาล้องหงมล่องห้าให้ดูเนี่ยอ้าวไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูอโรคเราเนี่ยแหละ ทุกคนเ่ยเดี๋ยวไม่ต้องมาล้องหมน้องไห้เราดูอบางทีเครียดเคียดเรื่องอะไรเงี้ยครับอาจารย์คิดเรื่องอะไรเงี้ยเห็นนะครับว่ามันทุกข์มันอยากจะดับทุกข์อยากจะอยากจะหลุดจัดการเวียนว่ายตายเกิดหรือเกิดแก่เจ็บตายแต่มันไม่เห็นทางไหนเลยนอกจากพวามนิพพานที่จะดับได้จริงๆไม่มีเลยแล้วความอยากไปดับไปไม่ได้ไม่มีเลยอย่างภานุนอยากจะบรรลุก็ไม่บรรลุพอเลิกหยุดเลิกเลิกอยากบรรลุก็บรรลุเลยอ แต่ต้องต้องก็ยังต้องอยากก่อนอยากจะได้ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วไม่บรรลุอยากจะอยากบรรลุนี่แสดงว่ามันมาขวางแล้วแต่ก็สาผมไปได้เรื่อยๆได้เราไปเกิดก็อีก้าสิบเอ็ดกลับก็ได้เนอช่างวันนะหลังน้ําตายสักครึ่งครึ่งครึ่งมหาสมุทรนะก็ร้องไห้ไปสักครึ่งมหาสมุทรนะแล้วค่อยไปค่อยบรรลุ อ่านี่มันรลุได้ไหมเอาจะันรลุได้นีหยถ้าลองไปคิดว่าขอขอเลื่อนไปคราวหน้านี่แสดงว่าถูกกิเลสมันกินละแต่ถ้าบอกกูขอสู้ต่อไปได้ไม่ได้ขอสู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ยังจะมีทางไี่ถ้าบอกว่าขอเลื่อนไปนี่จบเลยกิเลสวสบาล์เข้ากระเป๋าได้เป็นเกมจบกับว่กระเป๋าไปเที่ยวอะไร ชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อภพต่อต่อชาติใช่ไหมอาจารย์มันก็จะติดเที่ยวไะตายไปก็กลับมาเที่ยวต่อตไม่มีวันหยุดเน่ยมันติดยาเสพติดเนี่ยแต่ <จะ S 1> แชาติก่อ น, นพระอาจารย์ต้องบวชพระมา ก, ก่อนเนาะอ่าไม่รู้เหมือนกันนะมาชาตินี้อยากจะบวชพระเลยตั้งแต่ ย, ยังเด็กๆไหมมีคนเขาสงสัยพระาจานะครับแต่ผมไม่เคยไม่เคยถามไม่เคยจะถาม เราสงสัยพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนหรือเปล่า <c oughs> แล้วลาไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ใช่ไหมเป็นทุกคนก็ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นแหละอย่าเรียกว่าพุทธภูรร ม, มิหรือไม่พุทธภูรรมินี้เราก็ไม่ไม่เห็นว่ามันต่างกันตรงไหนมันก็เหมือนกัน<แ> <c oughs> เหมือนกันนูมาคนเดียวเหรอคิดว่มากับแฟนเมื่อกี้ อ่าคนเดียวมาหลายครั้งมาบ่อยนะอย่างนอยทุกวันอาทิตย์งไหทุกอาทิตย์ใช่ไหมอ่าทีละหนึ่งวันค่ะทหนึ่งวันวันหยุดทำงานไหมปกติก็ทำงานทางออนไลน์แบบนี้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติบุิบ้านขายของเลยขายขายของออนไลน์อาหารเอาหารเสริมดีขายดีไหมก็เน้นทามาพี่ขายได้แบบนี้อ่า แล้วก็พยายามนั่งสมาธิอค่ะอนี่สนใจมานานแล้วเหรออ๋สนใจมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเพิ่งมาสนใจเพาะหนูอูคนเดียวหนูเในทำง่ายเี่ยอเลยแบบสบงสบสงบเลย<ต>ไม่ได้เก่งมากเลยค่ะพยายามฝึกนั่งเลยไม่รู้สึกเหงาอื นิมนต์หลวงพ่อท่านนัง you, ่งตรงนู้นก่อนก็ได้นั่งเก้าอี้ก่อนนั่งเก้าอี้อยู่แล้วครับือมีอะไรอยากจะมาคุยหรอถามหรือเปล่าถามอไจาย์ขึ้นมาได้ครับอาจารย์อายกรนิมนต์นิมนต์ถ้าอยากจะถามอะไรก็น he ิมนต์ได้ช่วงนี้ว่างเป็นมนได้งใจพระอาจารย์ไม่ไม่มีเทศอะไรตอนนี้ก็ถามตอบปัญหาอยู่ฟังังที่โยมทั้งหลายเาถามอาจารย์เอาได้ได้ได้ยังไงก็ได้ ตอนนี้ก <personal> <media> ็พ nah, ูดแบบสเปะสปะไปบ้างนิดๆหน่อยๆอเป็นธรรมชาติอาเป็นธรรมชาติอ่าทุกอย่างเป็นธรรมถูกองใช่ไหครับใช่อยู่ที่เราเห็นว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าเรามักจะเห็นว่าเป็นเงินเนส่วนส่วนแอปพลิเคชันตอนนี้พระอาจารย์เดินหน้าเต็มตัวนะครับยังเดินอยู่นะ นคือช่วงก่อนเนี่ยที่ทำไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องการดาวโหลดเสียเพิ่งมาแจ้งงกสูงมากต่อเดือนซึ่งมันไม่คุ้มตัดนั้นไปตัดนั้นไปดีกว่าก็เลยไปมาพอเริ่มเดินใหม่เนี่ยก็คือตอนนี้เดินแล้วครับก็คือ ส่งลิงก์ไปก็พอส่งลิงก์ไปที่เว็บไซต์ใครอยากจะดาเอบเปิดวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงแล้วหน้าที่หน้าพัชุชาเลย่ความทั้งวันนะครับตอนนี้ทั้งวันแล้วเอาะไรมาเปิดนะมันก็ของหลตาหลที่พระอาจารย์จดไว้ทั้งหมดอะรัอลยขึ้นไปได้เลยพวกนี้ตอนนี้เปิดทั้งวันแล้วครับแต่พอถึงเวลา2บ่ายโม50เนี่ยสถานีจะปิดเอง พอปิดเองเพื่อตัดเข้าที่นี่เ<อ>พื่อตัดสดแล้วพอที่นี่สดเสร็จเนี้ย<อ>ถึงเวลา 5. 5. สาองโมงห้านาทีสถานเปิดเองแล้วเล็กวิ่งต่อใช่<อ>ทำไว้หมดแล้วครับเป็นเป็นโปรแกรมเลยเป็นโปรแกรมคร<อ>ับก็คืออันเดิมของสถานีเก่าผมะครับ<อ>ก็ทำต่อทำต่อไปเลย โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวสถานีและไม่ต้องใช้แลครับออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เรามีฐานของผู้ฟังก็คือคนกดถูกใจทั้งแสนสามแล้วคนก็ฟังขึ้นเรื่อยๆทุกวันเอาเขารู้จักก็ไม่จําเป็นต้องได้สถานีครับเพราะสถานีตั้งสถานีตอนเนี้แต่เก้าแสนอาจจะไม่อยู่เพราะว่าต้องข้าไปดูว่าอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ถ้าไม่ไปเอาลิ้งตั้งไว้ที่ในเนื้อไม่อยู่ในเฟซบุ๊กมีหน้าแรกหน้าแรกมีหน้าแรกของรัตุชาใช่แต่ แตในเฟซบุ๊กไม่มีใช่ไหมไม่มีครับก็คือแต่ว่าลงได้เด๋วไว้ไปลงมือมีตอนที่ถ่ายสดจะมีเขียนไว้ใช่ไหมว่าน่าจะเขียนไว้หน่อยครับมีกันนันใช่ไหมแต่เขายังไม่รู้ว่าเป็น24ชั่วโมงเขายังไม่รู้เป็น24ก็มีของหลวงตาของสมเด็จพระสังฆราชของพระจเป็นหลักครับพระจ่ากับหลวงตาเป็นหลักไปทั้อที่เหลือก็หลวงปู่ฟั่นอะไรก็แตกนั่งตรงบน นั่งก็ได้นะแตถ่ถ้าเด็กนี่ต้องขอให้ควบคุมไว้ให้ได้นะ ถ, ถ้าส่งเสียงดังนี่เดี๋ยวมันจะวงแตกนะ<ส Buzz>เดี๋ยวเด็กร้อง<ส><บ>เด็กอะไรนี่มันจะไม่เราที่นี่ต้องการความสงบพอคุยธรรมะกัน<ส><บ>เดี๋ยวไม่กี้สัมพานธ์อูต่อ แล้วหนูมาสนใจตั้งแต่ตอนนั้นแลนะธรรมะเนี่ยหนูเริ่มปกติเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเนีคะ่ะแต่ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไ ม, ไไ ม, ไไมไ่มีค น, นเคยสอนแล้วการปฏิบัตินี้ค่ะพอดีมีคนเป็นเพื่อนที่เขาอยู่นิวซีแลนด์นะคะอะแล้วเขาฟังของขวาย์าเขาก็เลยแนะนำํำว่าไปทันอยู่พัทย า, านออะอย่ีย้ <laughs> หนูก็ เ, เอ้าเราก็อยู่พัทยาแต่เราไม่เคยรู้เลยก็เลยเริ่ม ไปเปิดฟังย้อนหลังหมดเลยออทุกวันนี้ก็ฟังอยู่คือไม่ดูทีวีเลยแต่หนูต้องทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ค่ะอ่าก็เลยก็ได้ทํางานเอาไว้ใช้ทำงานแต่จะไม่ดูยืดอื่นนอกจากทางานบางทีก็เปิดฟังสายจาร์อปอย่างเดี๋ยนี้คุณต่อก็บอกมีวิทิุฟังออนไลน์ได้ยืดสี่ได้หมดย้อนหลังได้หย้อนหลังได้หมดเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเดี๋ยวนี้เป็น หญ่แก้วหมดแล้วรวดเร็วก็เลยตั้งแต่นลวพ่อแนะนําพอมาถูกก็มาถูกอาทิตย์อย่าอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วก่อนที่มันเจอเราเนี่ได้ได้อ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์รูปอื่นบ้างไหมปะก็ก็มีศึกษาอยู่ค่ะอ่าแต่บางทีเขาแนะนําให้ไปปฏิบัติอะไรแบบนี้แต่บางทีเป็นคนชอบอยู่คนเดียวนีมค่ะอ่าหนู่ก็เลยเน้นแล้วตอนเด็กๆนี้พ่อแม่พาเข้าวัดหรือเปล่าพ่อแม่ ตลอดเลยอ่ก็เลยล ม, มีนิสัยติดมาได้หนูชอบ้เนี่ยค่ะชอบความสงงงอดีขนาดทำงานเนี่ยเลิกทำแบบไม่ทำปนกับคนอีก อ, อ่ อ, อ, อ, อ่าเดี๋ยวนี้โชคดีทำออนไลน์ได้ทำคนเดียวได้มีเว็บไซต์อย่างี้ยป่าหรือใช้ใช้ใช้เฟ e บุ๊กเป็นที่ขายส่วนมากลูกค้าเขาก็จะไม่ค่อยได้คุยส่วนมากเขาจะเดี๋ยวนี้มัน คุยทางไลน์เลยใช่แล้หนูใหนูไม่มีเว็บไซต์อะไรใช่ไหที่จะขายของพวกนี้มีเว็บรึเปล่ามีเว็บไซต์ของเราเปล่ามีเว็บเพจรึเปล่าอ๋ประมาณที่จะดูลูกค้าจะดูที่ไหนเอ๋อมีหนูมีเว็บไซต์ไคะอ๋อมีเว็บไซต์เยออแล้วมี Facebook มีอะไรพวกนี้เหมือนกันใช่เฟซหนูจะไม่เล่นไงคะไม่เลยไม่ขายของในเฟซเลย้ขายได้เนะไ่มันวุ่นวายอะวุ่นวายเลยใช่คือถ้าเกิดลูกค้าเขาสนใจอะไรอย่างเงี้ย หมูเลือนโฆษณาแล้วเขาก็เขาไปดูน้าเว็บได้เลยอแล้วเขาก็สั่งได้เลยใช่ค่ะสั่งมาทางไลน์อะไรแบบนี้ยค่ะก็คือเราก็อธิบายทางไลน์ค่ะก็คือถ้าเกิดไม่จําเป็นก็ไม่ต้องคุยกันถึงเวลาก็ส่งไปสนีแบบนี้ยค่ะแล้วบ้านเดิมอยู่ที่ไหนนะผมเป็นคนเมืองการค่ะเมืองการใช่ค่ะ จะพูดเนอเนอพูดเนงเนีอยเราเมื่อก่อนก็เป็นคนเด็กสุพรรณแถวนั้นติดกินค่ะนครจันทบุรีจ้ะทำไมที่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนั้นพูดเนอดูสุพรรณตั้งแต่เด็กถึงอายุประมาณสักสิบขวบแล้วพ่อมาย้ายมาให้มาอยู่กรุงเทพมาเรียนหนังสือทำไมมาใหม่ๆก็พูดเนอ พี่น้องคนอื่นไม่เป็นไงคะไม่เพราะเขาดัดอะไรมีเขาเรียนใกงเทพเขาก็ดัดแต่เราก็พูดปกติเลยอ่าดีแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่พัทยานี่ล่ะก็พอดีน้องหนูเขามาเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรอะบางละมุงอะไรนะคะอ๋อแล้วพอดีเขาสอบเอ็นติดสี่นักเรียนแล้วหส่งเขาเรียนอะไรนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเรียนจบก็มีครอบครัวเป็นหลัอ๋อหนูก็เลยมาอยู่ที่นี่ หนูก็เลยซื้อว่านอยู่ที่นี่ค่ะแล้วสินค้าก็เก็บไว้ที่บ้านนี่แหละใช่ค่ะเฉพาะจะอยู่ที่เมืองการเนญฯถึงเวลาก็ส่งเงินให้ของอ๋อก็อยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้อะไรนะเลี้ยงตัวเองได้ค่ะอหนุ่ยอายุามสิบก็โอเคแล้วใช่ไหมอาชีพนี้พอเลี้ยงตัวได้อยู่เยอะแใช่แต่มาเพราะอาชีพที่หนูทําอยู่นี้พอเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องทําอะไรเสริมใช่ไหมมีอะไรเสริมก็ไม่ต้อง แน่ที่น้องคนอื่นจะมีครอบครัวหมดเลยค่ะอเป็นผู้หญิงก็มีครอบครัวทั้งทั้งสองคนเลยอืแล้วก็ไม่ว่าเราแปลกไหมเขาก็ว่าค่ะแต่กเราก็ไเราก็ไม่คิดอะไรก็เฉยๆคือคนรอยท้อไม่เหมือนกันไงคนอื่นก็ว่าแปลกค่ะอืมือนที่พระอาจารย์บอคนที่มาทางธรรมนี้แปลกกับคนอื่นะ เรามาน้อยงไงก็เลยแปลกก็เป็นเวลาแปลกแต่ดีก็เลยแปลกแต่ดีนถ้าแปลถ้าแปลกเนี่ยแต่ถ้ามุ่ง ม, มั่นแล้วจริงจังก็อาจารย์<ม><ม>บอกว่าเวลาเนี่ยมันจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเวลาจะพิสูจน์ใช่ใช่เพอาะงั้นะ<อ>พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันใช่ไหมใช้เวลาหกปีพอหลังจากงบรรลุแล้วกลับไปโปรดญาติโยมก็ศรัทธากันขอบวชต่างกันเยอะแยะไป รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงอพอเรามีแล้วแล้วเอามาแจกใจ่ายให้คนอื่นพอก็ได้ริมรถหน่อยเขาก็ติดใจอยากจะขอบวชตามกันเยอะแยะเลยที่ตั้งแต่เราแสดงธรรมนี่มีคนลาออกจากงานมาบวชกันหลายหลายคนนะทั้งหญิง<ร>ทั้งชายนับได้หลายคนแล้นะเราก็ฟังไปแล้วก็ไปลองปฏิบัติแล้วมัน ได้ผลรู้สึกว่าดีกว่าสิ่งที่เขามีอยู่เขาก็เลยทําให้เกิดศรัทธาอยากจะมีธรรมะมากขึ้นเขาก็เลยหาเวลารู้ว่าการที่จะได้ธรรมะมากขึ้นนี้ต้องมีเวลาเวลาที่เขาเคยเอาไปใช้กับเรื่องอื่นเขาก็เลยยอมสละเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาเอาสร้างธรรมะมาเอาธรรมะดีกว่า รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงอ่าย้อนนี้ยังไม่ได้ถามเรื่องทางบ้านเลยเหลือวันนี้เข้ามาเท่าไหร่อันนี้ Facebook สูสุสกด3 9 0ค่ะวิธีวีมีฟังห้าคนค่ะวีธีวห้าคนนะอ่าต่อไปก็เยอะเองอ่าทางยูทูบ97ค่ะยู u b e 97 เดี๋ยถ้าใครเข้าไปในเว็บไปวิทยุนี่มันก็จะเห็นเห็นจํานวนคนหรืเปล่าเห็นครับอาจารย์มีมีมีหมายเลขติดไว้ให้ดูเลยข้างหน้าเลยครับหน้าผ<อ>ัสดุชาเลยครับเรายังไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูยีิบชั่วโมงยีสี่ชั่วโมงใช้แอปพลิเคชันมันจะรันเองผมจะตั้งไว้ว่าผมไม่รู้วิธีคือว่าสมัยก่อนทํางานเนี่ยต้องทํางานคนเดียว ดังนั้นมันต้องวางระบบไว้ที่มันออโต้ทั้งหมดดังนั้นเวลาถึงเวลาเนี่ยผมคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงถึงจะตัดเข้าได้จะคนที่คอมพิวเตอร์จะคอยตัดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่มีคนทําก็ใช้วิธีถึงเวลาดับเองแล้ะทางนี้ก็ต่อเข้าต่อเข้าเองแต่ถ้าทางนู้นยังต่อยังติดอยู่ทางนี้จะต่อไม่ได้ถ้าทางนู้นเชื่อมอยู่แต่พอทางนู้นคอมตับปุ๊บทางนี้ต่อเข้าได้เลยแล้วทางนี้จบทางนู้นคอมก็เปิดเองโอเคครับอย่างนี้ก็จะเปิด5้านาทีก่อนสองโมงนะใช่ ใช่ครับประมาณห้านาทีก่อนเนี่ยสินาทีเชื่อมนาทีก่อนแล้วหลังจากสองโมงก็ก็เปิดก็เปิดตัวนี้ถ้าตัวนี้ก็เชื่อมไปเป็นสัญญาณจากทางนี้ปุเอถ้ามีแอปพลิเคชันก็จะสะดวกครับาหน้าแรกจะเป็นวิทยุมีหน้า Facebook มีหน้า Youtube Live มีหน้า p ั a ดุช s ด d o m com แล้วก็มีมีหน้าที่เป็นอ่าไว้แสดงภาพของ ธรรมัะเขาเรียกว่าธรรมะเลยทุกวันอะไรธรรมะเลธรรมะดนใจรรมะดนใจซึ่งจะสลับสลับสลับสลับเปลี่ยนไปทุกวันอย่างเงี้ยครับอาอัตโนมัติเลยอัตโนมัติก็แบบเปิดครั้งหนึ่งก็อันนึงหรือว่าตั้งเวลาไว้ที่อืรีเฟรชทุกหนึ่งนาทีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าภาพจะไปอยู่หน้าเดียวกวิทยุเพราะคนจะฟังวิทยุเนี้ยถ้ามันสลับเปลี่ยนได้แต่ถ้าคนฟังวิทยุแล้วไม่ต้องการความสดแล้วไม่ต้องการความก็ปิด ปิดหน้าจอไปช่วยฟังวิธีไว้ปกติแอปตอนนี้ทําเสร็จแล้วยังอ่าลังทําอยู่ครับเดินเครื่องแล้วครับเดินเครื่องเต็มอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเกี่ยวว่าเรื่องไฟล์ต่างๆไม่ต้องเลยครับเพราะว่าให้ทำลิงก์เข้าหน้าพระสุชาติไปเลยเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมเอาไฟล์เนี่ยไปลงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีเยอะทีเอะไม่ได้เลยโหช้ามากสรุปว่าโพสต์เขาเนี้ยบล็อกเอาไว้เพราะว่ามันมันมันกลัวมันใช้ใช้ท้าติดเขาเยอะไปเงี้ยเขาก็เลยบล็อกแต่ว่าถ้าจะใช้เนี้ย ลายเดือนนี่หลักหมื่นเลยครับชเกินมันไม่คมุมใช่ไม่คุมเลยก็เว <c oughs> ็บไซต์ของเรากรมาฐาน c อ m นี่ทั้งหนึ่งเราปล่อยให้ดาวน์โหลดหนังสือเนี่ยมันเราโหลดจนกระทั่งเกินลินมิตมันเลยปิดเว็บไซต์เลยล่มไปเลย <c oughs> เลยต้องไปขยายลิมิตตอนหลังเราเปลี่ยนไปฝากไฟล์ไว้ที่อื่นดีกว่า ท, <ฆ>ที่ที่ฟรีดีกว่าแล้วใครจะไปโหลดเท่าไหร่ก็ได้เราไปไว้ที่ไว้ที่มีเดียไฟล์อย่างนี้ มีไฟล์นี้เขาให้เอาเอาไฟล์ไปฝากเข้าไว้ได้แล้วใครต้องการดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดได้เวลามีหนังสือใหม่แล้ว เ, เอาไปใส่ที่นั่ น, นมีคำถามทางบ้านไหมเนี่ยเหนือสัก5้านาทีคำถามจากคุณสกุลค่ะผมนั่งสมาธิจิตมันฟูซ่านครับผมอยากจิตนิ่งไม่คิดอะไร ส อ, อนผมหน่อยได้ไหมครับได้ต้องพุทโธไปทั้งวันต้องถัดมีพุทโธควบคุมความคิดเนี่ยที่จิตไม่นิ่งเพราะเราไม่มีอะไรควบคุมมันปล่อยให้มันคิดมันก็เลยไม่นิง่งเหมือนรถที่ไม่มีเบรกถ้าไม่มีเบรกรถมันก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้รถมันจอดก็ต้องมีเบรกใจเราก็เหมือนรถเนี่ยความคิดเราเนี่เหมือนรถ ท, ที่กําลังวิ่งอยู่ถ้าต้องการให้มันหยุดเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันใช้บทการสวดมนต์หยุดมัน พอ fois, เราสวดมนต์เราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราพุทโธมันก็จะคิดไม่ได้แล้วต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้แล้วเราก็ไม่ต้องพุโทโธพุโทโธเฉพาะตอนที่มันคิดหรือคิดไปในทางที่ไม่ดี่นั้นเองพอมันไม่พอมันคิดไปในทางที่ดีก็ปล่อยมันคิดได้พอมันคิดไาใทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้แต่ตอนนี้เราหยุดมันไม่เป็นเพราะเราใช้พุทโธไม่เป็น ดัง้นต้องมาหัดใช้พุทโธกันหัดท่องพุทโธไปตั้งแต่เตือนขึ้นมาเลยเตื่นขึ้นมาทำอะไรกพ็พุทโธพุทโธไปกับการงานที่เราทำอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทำถ้าเราต้องการใช้ความคิดกับงานเราก็หยุดพุทโธแล้วก็ให้เอาความคิดของงานมาเป็นพุทโธแทนถ้าคิดกับเรื่องงานเรื่องการมันไม่ฟุง้งหรอกแต่ถ้าไปคิดถึงเรื่องคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวมันวุ่นวายได้ <S <S ยังพยายามหัดใช้พุโทโธหัดหยุดความคิดที่ทําให้เราฟุง้งต่อไปเราก็จะไม่ฟุง้งครัำถามจากคุณไอดินอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีที่จะลดละการรมราคะหรือทําให้มันหายไปครับและมีวิธีละความโกรธหรือตัดไปเลยได้ไหมครับการตืนก็ต้องใช้สติก่อนใช้สติหยุดความคิดที่ทําให้เราไปโกรธไปทําให้เราอยากมีกามต่างๆ พอเราหยุดความคิดได้แล้วขั้นต่อไปก็สอนให้มันคิดไปในทางที่จะทําให้มันไม่ไม่อยากก็คิดไปในทางที่ทําให้เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือว่าเห็นว่ามันไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากได้เช่นเช่นเวลาเห็นกระเป๋าเนี่ยเราอย่ไปเห็นกระเป๋าในร้านเห็นกระเป๋าในกองขยะเวลาที่ใช้ไปสักพักมันเก่าก็ต้องทิ้งไปในกองขยะแต่เรามองเห็นน า, นาโค้ดถัง ของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันในที่สุดมันก็จะต้องเสื่อมจะต้องเสียเราก็จะอาจจะไม่เอาดีกว่าเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปหรือว่าถ้าเห็นของที่สวยงามพยายามดูส่วนที่มันไม่สวยงามให้ให้ได้ร่างกายของคนเนี่ยส่วนที่สวยงามก็มีส่วนที่ไม่สวยงามก็มีแต่เรามาักมองไม่เห็นกันเพราะเราไม่เราไม่ศึกษาเราไม่ยอมมองเข้าไปในส่วนที่ไม่สวยงาม ของที่ไม่สวยงามมันถูกคุ้มห่อไว้ปกปิดไว้ด้วยเนื้อหนังเราก็ต้องใช้ตาเอ็กซเรย์ไปเปิดหนังสือผ่าศพดูหนังสือที่สอนอนาตอมี่สอนอวัยวะร่างกายของร่างกายแล้วก็เอามาดูบ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาเราเกิดการมารมพอเรานึกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของคนที่เราอยากจะมีมีเพศสัมพันธ์ด้วยมันก็จะทําให้เรา ดับกามอารมได้แต่ขั้นต้นเราต้องมีสติควบคุมความคิดให้ได้ก่อนถ้าควบคุมหรือหยุดความคิดไม่ได้มันก็จะคิดว่าสวยสวยสวยอย่างเดียวน่ะมันจะให้มกินอย่างไรก็มองไม่เห็นว่ามันไม่สวยเพราะเราหยุดหยุดความคิดเก่าๆไม่ได้แล้วต้องหยุดความคิดเก่าๆใหม่แล้วมาสร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมาทดแทนหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์ พิจรารณาเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ